แล้วก็นั่งเคลื่อนมือปฏิบัติธรรมกันเคลื่อนไหวด้วยแกหนาวอย่างน้อยๆจานี้ปลุกกระตุน้นเจ้าๆที่ตื่นมาปกติเราเคยนอนอยู่ มันก็ยังมีนิสัยยังเสริมยังง่วงหนักก็ถือว่าเป็นจิตอคกุศลน่ น, นะปกติตอนนี้เป็นยามสามยามสามนี้องค์สมเด็จสัมมาจาว่าตัสสรู้อนุตรัสสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ยามสามแบบนี้พลังของชีวิตมันก็มาที่ปอดการหายใจเข้าหายใจออก อายุจะเยือนถ้าตื่นมาตีสามตีสี่ยิ่งได้มาทําวัดสวดมนต์เนการเปล่งเสียงมันเป็นมงคลเป็นความดีความงามแล้วคำสวดคําชี้คาสอนคำนำนมันก็เป็นเรื่องของความจริงความจริงของธรรมชาติความจริงของกายของใจ เป็นความจริงที่ตื่นขึ้นมาเราจะเห็นพลังชีวิตก่อรไกของชีวิตถ้าเรามาศึกษากลับมารู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวเห็นอาการต่างๆสภาพธรรมต่างๆนี่แหละคือการปฏิบัติรรมการศึกษาธรรมะได้อยู่กับธรรมชาติฝ่ายที่เป็นความดีเป็นความสุข เป็นความเจริญรุ่งเรืองตื่นเช้าๆคือคนขยันนะนะตื่นเช้าๆบางคนกำลังนอนอ่ะนเนี้ยปรับบาคาเฟ่บางปิดสักครู่เนี่ยถ้าเป็นพัทยาโต้รุ่งเที่ยวกันหัวปากหัวปำเป็นเวลาตายของอีกหลายคนช่วงเนี้ยเมาเร้าขับรถกลับบ้านเดี๋ยวจักพักหนึ่งพระอาทิตย์มัน เริ่มแสงเงินแสงทองลงอารุ่นก็นเป็นเวลาตายพอดีแสบตาขับรถงกงว่วงสมัยก่อนเคยทำข่าวมีการแจ้งกันเวลาเนี้ยตายกันเยอะมีอีกครั้งหนึ่งเคยรับงานที่สัตหีบชนบุรีเป็นข้าหาารมันเป็นงานที่เรียกว่า Top Secret รับเฉพาะ ก็ต้องไปทำทั้งคืนว่าเดี๋ยวงานเสร็จแล้วจะได้เงินใช้ละเป็นกอเป็นกรรมเป็นก้อนเดีย ว, ยวขยันขับรถกลับมาที่อิสตันซีบอร์ดไปเที่ยวพัรยากลับกันมาแข่งรถกันมาระหว่างรถมิซูบิชิใสโครนขับรถมัตซร์ไซ มอเตอร์ไซค์ก็เมารถยนต์ก็เมาก็แข่งกันนะแต่ว่าส่วนตัวนี่จอดติดไปแดงนะเขารบ ก, กัดจราจร อ, อยู่มิสูรอดไปได้แต่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่เหลืออาจก็ไปกับสิบรอเต็มๆ ต, ตายคาที่สองศพเราดูแล้วระหว่างความประมาทกับความไม่ประมาทเลอะเลอ เราไม่ความรู้สึกว่าเรายังเคารพอยู่ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีรถจอดแม้แต่คันเดียวไฟแดงแล้วก็เคารพกฎหมายจราจรบางคนช่วงสอบเสร็จฉลองกเกษตรบางพระขับรถกลับสายไปสายมาก็อาจกระสิบลอ้อตายคาที่เละเทะเปหมดนะพวกนี้ เราเห็นความประมาทของคนอื่นหรือว่าของเราท่มเคยเกิดขึ้นมากมายจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะกินจะขับถ่ายจะทำอะไรก็ตามทิมก็เผลอทำไปตามอารมณ์ทำไปตามอำนาจของความหลงกิเลส ท, ที่ครอบงำส่งเสริมยุยง ไม่ได้ทันมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวเมื่อเราเห็นเป็นตัวอย่างมากมายทั้งตัวเองแล้วผู้อื่นเราก็เริ่มต้นใหม่ตำรี่ที่จะไม่ใช้ชีวิตให้มันเหมือนกับว่าไม่รอบคอบเหมือนกับว่าใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตอย่างสายไร้สาระ มันเหมือนกับว่าชีวิตต้องมีสาระและเป็นสาระดีะไม่ง้เดี๋ยวกลายเป็นสาระเลวขึ้นมานเลวอย่างมีสาระนะโยมมันก็เป็นอย่างเนี้ยตลอดไปที่ยกอ้างมาอย่างนี้ก็เพื่อเป็นวันนี้ของเราขณะนี้นขณะนี้ของเราตื่นขึ้นมาก็ควรตื่นตัวแล้วแหละตื่นจากที่นอนควรตื่นตัวแล้วแหลนะนอนมาสามสี่ชั่วโมงก็หลับอย่างมีสติก็ไม่ได้ฝันร้ายอะไรหลับอิ่ม ตื่นขึ้นมาก็ขยันแล้วแหละจิตใจรู้สึกมันปลอดโปร่งผ่องใสอันนี้เป็นลนักษณะของจิตที่ฝึกนะหรือบางทีไม่ต้องฝึกก็ได้มันก็มีอยู่ที่ว่าต้องฝึกบางทีเคยมีแม่ชียอยู่คนก็เคยเล่าให้ฟังก่อนนอนก็นอนอย่างมีสติก็ฝึกสตินี่แหละพอตื่นขึ้นมาปรากฏว่าจิตมันเปลี่ยนมันเป็นอะไรไม่รู้เมื่อวา น, น, นมันยัง เหมือนก็ไม่ตื่นตัวขนาดนี้พอตื่นเช้ามาเหมือนก็ตื่นตัวเป็นคนละคนไปเลยความทุกข์ไม่รู้หายไปไหนหมดจิผ่องใสยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันตีสามตีสี่ตื่นกันมามันเคยง่วงเหงาโง่ๆนี่มันผ่องใสมันพลิกหน้ามือกับหลังเมือมนแปลกไปเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆมันแคเกิดว่าแปบบ๊แบมแบ ม, ม่เช้าก็สายไม่บ่ายก็ค่ามันก็จะเป็นอย่างนี้น การศึกษาเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงถ้าเรามีความภาคเพี้ยนเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราทำบัสเตอรมันมีความภาคเพียนจะศึกษากายใจของเราจะต้องมันเกิดการวางกายวางใจมันฝึกสติจนเกิดการวางกายวางใจเคลื่อนมือจนวางมือจนเกิดการวางหน้าวางตาวางหลังวางไหลวางเอววางความคิด จนันวาลความทุกข์เกิดการปล่อยวางกันมาความทุกข์คิดปับ๊บรู้ทันคิดปับ๊บรู้ทันอนี้พอรู้ทันแล้วก็ไปทำอะไรมันก็รู้ในจุดที่มันดูอยู่เกิดขึ้นมาก็หายไปเกิดขึ้นมาก็หายไ ป, ยยไปความคิดแต่ว่าใหม่ๆไม่ใช่อย่างนั้นนะใหม่ๆมันอยู่กับความคิดคิดแล้วคิดอีกแต่พอเราฝึกความรู้สึกตัวมันก็อย่างที่เมื่อวานพูดเอาไว้กระโดดไปกระโดดมาก่อน ครึ่งรู้ครึ่งหลงบางทีก็อยู่กับความคิดบางทีก็อยู่กับความรู้สึกกายจนกระทั่งเหมือนกับว่ามันรู้แล้วรู้อีกทําซ้ํๆาๆจนกรั่งมันดูตาในเนะี่ยตาสติตาปัญญาวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณญาณทัศนะก็หมายถึงญาณก็ญาณพาณะนี่แหละแต่ว่ามันเป็นนามธรรม ทะยานยนเป็นรูปธรรมขนส่งกายของเราวัตถุไปยังที่หนึ่งจากที่หนึ่งไป ย, ยที่1นึแต่ว่านามธรรมยานวิปัสนาญาณเนี่ยมันขนส่งจิตจากความง่วงมาสู่ความไม่ง่วงขนส่งจิตจากลักษณะของความไม่ดีมาสู่ความดีจากความโกรธมาสู่ปกติ จากความหลงมาสู่ปกติจากความทุกข์มาสู่ปกติมันขนส่งแบบนี้มันเป็นญาณของปัญญาสติความรู้เนื้อรู้ตัวมันมีความรู้สึกตัวมันก็มีสติมีสติก็มีสัมชัญญ์ยะมารู้นานๆจะสมาธิตั้งมันกันมันก็เห็นรายละเอียดอย่างเรานั่งอยู่ตรงนี้นะลองนั่งมองไปมองมามนะจะเห็นรายละเอียดของสาลาแห่งนะี้ ศาลามันเป็นชื่อมันเป็นนามธรรมเป็นสมมติบัญญัติศาลาเรานั่งดูด้วยตานสมองมันก็รับรู้ด้วยมันก็ดูมีพื้นกระดานมีต้นเสาโอ้มีไม้เศษเล็กเศษน้อยมีชื่อจันทนมีชื่อแปรมีชื่อตรงมีชื่อฝา มันก็มีชื่อมากมายแล้วก็มันเป็นส่วนประกอบมีไม้ละแนง่มีชื่อเพิ่มขึ้นไหมมันมีหลายๆอย่างมันไม่ใช่เหมือนกับว่ามันเห็นเฉยๆนะเวลาศึกษากายก็เหมือนกันมันก็มีแขนมีขามีไหล่มีคอมีตามีหูจมูกลิ้นมีเหงือซึมมีการเคลื่อนตัวมีลมหายใจมีจังหวะเต้นของหัวใจมีชีพจร มีอาการเจ็บอาการปวดอาการเมื่อมีซ้อนซ้อนมันก็เห็นหลายอย่างเนละแต่มันเห็นทีละอย่างแต่ไวมันเห็นจิตเห็นใจเดียวขนาดนั้นทีเดียวมันเป็นลนักษณะของความรู้สึกตัวนะการเคลื่อนไหวจะลิจิต จ, จิตจะลิจิต จ, จิตจะลิจิต จ, จิตปฏิบัติธรรมเห็นมันมันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะว่องไวมากนะเขา เ, เปรียบเทียบมันสายฟ้าแลบนะความไวตัวเนี้ยหรือความเร็วนะที่ วิยาศาสตร์จับเอาไว้ด้านหน้าของจิตที่เคลื่อนไปคิดคิดแล้วคิดอีกเนี่ยความเร็วไม่น้อยกว่า17เดเท่าของปรลลมโนการเคลื่อนตัวของความคิดของจิตไม่น้อยกว่า17เท่าของปาลมโนวันหนึ่งคิดไม่น้อยกว่าเจ็ดหมือนเรื่องคิดอยู่นั่นแหละคิดหนึ่งคิดสองคิดสามคิดสี่คิดดีคิดเชื่อคิดกดคิดโลภคิดหลงคิดละคิดชัง คิดเรื่องงานสารพัดที่จะคิดทั้งตั้งใจคิดและไม่ได้ตั้งใจคิดคิดเก่งแสงไวกว่าเสียงความไวของก็คณยกกำลัง8หรือเท่ากับ1นึ่0 0มัต่อวินาทีหรือว่า 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีความไวนะ พิสูจน์ได้ไงก็ อ, ก อ, กก อ, อีกคนหนึงไปยืนยอดเขาลูกนู้นมีนาฬิกาจับเอาไว้อีกคนนึงยืนอยู่บนเขาลูกนี้ที่เราเคยเรียนกันมาใช่ไหมเสร็จแล้วทางนี้ก็เปิดแสงไฟวับจับนาฬิกาไว้กี่โมงทางนู้นเห็นกี่โมงก็กดเอาไว้ก็รู้ว่าความต่างก็เป็นนั้นแนหะคือความเร็วการเดินทางของแสงทฤษฎีการเห็นก็คือ แสงที่มากระทบวัตถุล้วสะท้อนเข้าตามันไปนอย่างนี้ทีนี้จิตมันเดินทางไวฝ่าแสงแต่เพราะความคิดไวกว่ามันไวเท่าไหร่ก็สิบเ็เท่าของปรัมโนสติมันไวฝ่าความคิดมันก็จึงทันกันคิดเท่าไหร่รู้ทันทั้งหมดนั่น ทัศติฝึกอย่างคมคมชัดชัดมีความคล่องตัวรวดเร็วว่องไวรู้เท่ารู้ทันะระลึกรู้ได้ไวไม่ทางจิตซึ่งเป็นนามธรรมนียมันว่าไวยังรู้เลยมันรู้ผ่านความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวอันนี้เป็นการพูดแบบสมัยใหม่ถ้าสมัยพรดเจ้าเนี่ยจิตมันไปได้ไวไปได้ไวเป็นมายาเปลักษณาของการปรุงกันแต่งเรียกว่า สังสารวัตรเรียกว่าวัตตะสงสารข้ามพพข้ามชาติไปอดีตไปอนาคตลองนึกถึงเด็กๆเด็กๆที่เราเคยมีความสุขที่สุดอยู่กับพ่อกับแม่ลองนึกถึงมันก็ไปทันทีนะยี่สิบปีสามสิบปีห้าสิบปีคนแก่คิดไปอดีตคนหนุ่มคนสาวคิดไปในอนาคตอย่างนัน้นนะวางแผนที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ต่างๆ นะคิดไปข้ามไปข้ามมาข้ามมาข้ามไปเลยลืมปัจจุบันไปเลยเราก็เลยมาเคลื่อนมือรู้สึกตัวให้มันอยู่กับปัจจุบันซะบ้างอยู่กับโลกของความเป็นจริงซะบ้างนะขณะนี้ที่นี่เดี่ยวนี้ไงนะทำไมต้องฝึกอย่างนีนะ้ก็เราจะได้เห็นกลไกลนะที่จิตของเราชอบหลงเผลอไหลก็ไปนะในความทุกข์ในอดีตในอนาคตนะี่หหรือปัจจุบันก็ตามนะ มันลงไปทางรูปรถกลิ่นเสียงตาดูก็หลงไปทางรูปหูฟังก็หลงไปทางเสียงจมูกก็หลงไปทางกลิ่นลิ้นรถกายสัมผัสจิตใจก็สมองเป็นเรื่องวิธีคิดต่างๆปัญญาปัญญาที่มันเป็นปัญญาพุท ธ, ธะบ้างปัญญาที่เป็นปัญญาแบบโลกโลกบ้างปัญญาที่เป็นปัญญาแบบเฉโกบ้าง เราก็ได้ศึกษาเห็นปัญญาเกิดจากตาของเราดูกระทบรูปเนี่ยตาบอดปัญญาก็ไม่มีหูฟังกระทบเสียงเนี่ตาหูหนวกปัญญาก็ไม่มีเราก็จะได้เห็นเรื่องบางทีเนี่ยนะรูปมันก็อยู่ข้างๆเนีแต่ว่าอยู่กับปัจจุบันนะแต่ว่าเรามองไม่ทันมองไม่เห็นมันตรงนี้จึงเกิดขโมยกระจรขึ้นมาบ้านข้างๆกันขนเข้ามาก็ไม่ได้ไปสนใจ จนก็เข้าไปลักไปเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยอะไรนะมันเป็นกละไกนะบางทีรถวิ่งมาอย่างเร็วเลยแต่ว่าไม่มีสติตาเปิดอยู่แต่มองไม่เห็นนี่มันบังหูบังตามากเลยตัวหลงจนก็บอกเป็นอํานาจมืดมากมายแล้วกนบังหูบังตาบางทีก็ต้องไปนะทําบุญทำทานเสียเชะอะเสียเคสสะดอโชคต่างๆไปทำกุใสัย เคยหายไปประเภทนี้จนเกิดอาชีพต่างๆมากมายศสยศาสตร์มีมน ด, ดำเราก็ไปถอดไปถอนอะไรกันไม่ต้องเลยนะฝึกสติสัมปชัญญะนี่แหละเคลื่อนไหวรู้สึกตัวมันจะแก้ปัญหาได้ทุกๆปัญหาที่เรียกว่ามน ด, ดำบางหูบางตาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาเคาะร้ายโชคไม่ดีพวกนี้นเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเนี่ย ถ้าเราเห็นตัวเรานั mm ่งอยู่แต่โชคดีแล้วล่ะเห็นเราเดินอยู่เห็นเรากําลังเคลื่อนไหวเห็นเรากําลังทํากายกําลังทําใจกําลังทําก็เรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมชาติเห็นว่ามันสกปรกก็หยิบไม่กวาดไปกวาดเห็นแล้วทำเรียกว่าเห็นธรรมเสื้อผ้าสกปรกไปซักแซะเห็นแล้วทำของอยู่ไม่ถูกที่เรา uh, เก็บ yeah. เอาไว้ให้ถูกที่เห็นแล้วทำ วางกายวางใจนั่งตัวงอเงี้ยมันไม่ถูกทำเราก็นั่งตัวตรงซะให้มถูกทำเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมมันจะเห็นความจริงจริงๆกําลังหนาวอยู่เงี้ยธรรมะธรรมชาติภายนอกนะอากาศมันเย็นไปห้ามมันไม่ได้เราเอาเสื้อผ้ามาหม่มมาใส่อันนี้ก็เรียกว่าเห็นแล้วทำไม่ใช่ปล่อยกายให้หนาวนะหาน้ำร้อนๆมาดื่มเงี้ย น้ำอุ่นๆมาเดิมให้มันอุ่นข้างในอันนี้อันนี้เห็นทำแต่ถ้าไม่มีก็ทนเอาใช้ความอดทนอดกลั้นะบางทีมันก็ไม่ได้ดังใจหรอกก <Okay. S 1> ็เลยมีสติมีปัญญาขนส่งอยู่ตลอดเวลาโ <Okay. S 1> ดยเฉพาะความคิดนคิดแล้วโลภแล้วโกรธแล้วหลงเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมัน <Okay. S 1> เราก็เลยเคลื่อนไม้เคลื่อนมือนั่นแหละดึงจิตออกมาก่อนให้มีสติกำกับเอาไว้ กระทบสัมผัสรู้สึกกระทบสัมผัสรู้สึกวินาทีหนึ่งก็รู้ครั้งหนึ่งสองนาทีรู้ตั้ ง, งมากมายแล้วก็สามสองหกก็หกร้กอยรู้เงนะมันก็มากมายที่เราจะตักตวงเก็บเกี่ยวเติมเต็มให้กับชีวิตของเราแสดงเหมือนกับว่ารู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกรู้เน้อ ร, รู้ตัวจะทำมีความรู้ตาหูจมูเลิ้นกายใจของเรา มันเป็นความรู้ที่เรียกว่ญญาวิญญาณวิญญาณมีจิตก็มีวิญญาณจิตก็คือการว่าไหวเป็นพลังงานของชีวิตที่มันอยู่กับกายอาศัยอยู่กับกายมีกายมีใจมีใจก็มีจิตพอมีจิตก็มีวิญญาณจิตตวิญญาณมันอยู่ด้วยกันทีนี้ปัญญาที่พัฒนาขึ้นมาอีกก็คือ ลักษณะของความจําจําได้อยู่อดีตที่ผ่านมาจําได้อยู่จะพูดไม่พูดในอีกเรื่องนึง่งบางทีก็ปากอย่างใจอย่างจําได้อยู่แต่พูดว่าจําไม่ได้ก็ได้เจ้าตัวรอดมันก็มีอย่างนี้เหมือนกันสัญญาจําได้หมายรู้ด้วยสมองครั้นี้เราเห็นไ้ยว่ามันมีสมองทีมทำงานมันจดจํา สมองซีกซ้ายซีกขวาด้านหน้าด้านหลังพวกนะี้เป็นความจำํจำจําในสิ่งที่ไม่ดีจําในสิ่งที่ดีนะบางทีก็จํายังต้องติดสิ่งที่ไม่ดีบางทีจำแล้วก็ติดสิ่งที่ดีใช้สมองด้านไหนคิดใช้สมองด้านไหนทํางานพัฒนาการซีกซ้ายซีกขวาใช้ในการกระทําของกายซีกไหนสั่งในการจดจํำซีกไหนสั่ง เราก็ฝึกไปฝึกมาฝึกมาฝึกไปมันก็รับรู้โดยสมองเหมือนกันเช่นจดจำก๋วยกไก่ไก่จิกเด็กตายบงปากโอ่งไก่จิกเด็กจิกเด็กตายบนปากโ อ, อ, อ, อ่งอันนี้ภาษากลางท่องจดจำได้ท่องอาขยานท่องจดจได้บัดนั้นพยาพิเภกยักษ์สี กลาบลงอะไรมันเป็นความจำระบบความจำที่ไค่ท่องกันไหมอาขยานต่างๆป่าใบถือใหญ่บัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องยาละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำ จ, ำจงดีสลายไม่ม้วนอย่างนี้อันนี้เราจำได้หมายรู้ด้วยสมองสัญญาบางทีเรื่องควรจำมันกับลืมที่ควรลืมกับจำก็เป็นปัญญาชนิดหนึ่งพัฒนาขึ้นมาอีกนะ เป็นปัญญาที่เป็นทิฏฐิเป็นความเห็นบางทีเห็นตรงที่เห็นไม่ตรงมิจฉาทิฏฐิหรือว่าสัมมาทิฏฐิเรียนะละเอียดขึ้นมาอีกก็คือระดับที่เรียกว่าอภิญญาจําได้โดยสัญชาตญาณแล้วจําได้ถูกซะด้วยเพราะว่าอยู่กับโลกนี้มานานที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวฤดูกาลต่างๆสัตว์รู้แล้วว่าฝนจะตก มดขนไข่ก่อนละเจ็ดวันมนุษย์ยังไม่รู้เลยสัมผัสที่หกข้างขาวรู้แล้วมีอาหารอยู่ตรงไหนรู้แล้วว่าจะต้องอพยพไปทิศทางไหนทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยไปมาก่อนสามารถที่จะพาตัวเองไปได้สัญชาตยานเต่าซึ่งอยู่ไม่ได้เป็นฝูงเลยนะต่างคนต่างอยู่แล้วก็เวลาไหวไปไข่ไปถูกที่ถูกทางด้วยนะต่อมาก็คือ ลักษณะของแผ่นดินไหวหรือว่าแผ่นดินจะถลม่มนะสัตว์คขรู้แล้วก็ลงลงมาความเก้งลงลงมาแต่มนุษย์ยังไม่รู้ปลากระโดดแท็กอยู่ริมตะลิ่งมนุษย์ยังไม่รู้ว่าแผ่นดินจะไหวต้องไหวก่อนกี่มาตาวัดลิกเตอร์เงี้ยนะเกิดความเสียหายเท่าไหร่มนุษย์ล้มตายเท่าไหร่ถึงจะรู้สำพันธที่หนี่ไม่ค่อยรู้กันแล้วโทรจิตเนะียไม่ค่อยชัดนะ เาะใช้โทรศัพท์กันนั่นแหละจึงอย่างเช่นว่ากําหนดว่าตีสามจะลุกเนนะลองตั้งในกายจิตไว้พอถึงเวลาตีสามก็จะตื่นทันทีบวกลบเรียกว่าเออร์เลภาษาพวกเราภา ษ, าษาอังกฤษมันไม่เท่าไหร่ละประมาณ10บความแตกต่างประมาณ10นาทีถ้าตั้งไว้จริงๆนะตีสามคืนนี้จะลุกตีสามคืนนี้จะลุกพอถึงเวลาอีกสัก10นาทีหรือว่าหลังสัก10บนาทีมันจะตื่นละ ไปไหนมาไหนตั้งในการจิตหรือสังเกตธรรมชาตินะฟ้ามันออกสีชมพูหมายความว่ายังไงบางทีลมนิ่งสงบอากาศร้อนอ้าวหมายความว่ายังไงหรือบางทีนกร้องชนิดนี้มันร้องสำเนียงอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงมีอันตรายหรือเปล่าหรือว่าเสียงที่นี่นะติดยังเสียงแอบแอบ ไปดูงโง่กลังกินมันอยู่ไอ้เสียงแบบเนี้ยเขียดกบไปหาดูได้แหละแต่ร้องมาหลาย้วก็ได้เรื่องโดนกัดแข้งกัดขายังไม่กินทั้งตัวเพราะว่ามันยังร้องได้อยู่เคยไปช่วยมาหลายตัวไอ้เสียงแบบเนี้บางทีก็โต๊ะก็ตาโต๊ะก็ตาโต๊ะก็ตั้งมีอยู่ทียงเดินผ่านตรงบริเวณกดไม่ชีเอื้อย เดินผ่านมาตรงนั้นมันเป็นหุบลงไปแล้วขึ้นมาที่สลาไก่ไมันมีเสียงร้องที่ยมเสียงร้องเจ็บเจ็บเจ็บเราก็ ว, ว่าอะไรมันเจ็บเหเสียงร้องเหมือนคนจริงเจ็บเจ็บมันร้องอย่างไงนะฉันเข้าเสร็จเดินมาเออเสียงนี้แปลกดีไม่เคยได้ยินเข้าไปดูว่าน็ไรนกขาบรู้จักนกข่าไหม ตัวสีเขียวๆมันบินอีท่าไหนก็แล้วมัโดนหนามเกี่ยวคอห้อยตองแต่ตองแต่งเ ง, งีย้ยเราก็ไปช่วยเขาพอช่วยเขาเสร็จปรากฏว่ามันกัดนิ้วอย่างแรงเลยนะเราก็แหมจับได้เราก็เอานิ้วลูปแถวปากจังไปากก็จิกทันทีเลยแล้วก็จิกเจ็บจริงๆสัตว์พวกนี้นะกามมันแข็งมาก เราก็ไม่เป็นไรให้มันจิกให้เลือกจึมเลยเอ่ะอยากจิกจกไปแล้วเราก็ปล่อยก็บินเป็นอิสระภาพมีอีกทีหนึง่งหน้าหนาแบบเนี้นะ่ะปีนั้นจําได้ลูกชายมาบวชลูกชายเรามามาบวชอามาก็เดินไปตรงนี้แหละเดินข้ามไปลานหินโคง้งช่วงนั้นกลางเต็นท์อยู่เสร็จแล้วเอาถังน้ําไปเพื่อจะเปิดน้ําอาบน้ําอยู่ตรงนี้ด้วยหลังลานหินโค้งนะ มันมีเสียงตีต os os ปปปีปี๊กปับปับปับปปับปบปับปแล้วก็แควกแควแควแควแควแควแล้วก็โอ้เสียงนี้มันแปลกมากเลยไม่เคยได้ยินก็เดินไปดูในถังปรากฏว่ามีนกแสงแซวก็ตกไปก็กินน้ําแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ตกไปอยู่ในถังถังสีแดงเราก็เลยอุ้มกัาแล้วก็หนาวแบบนี้ได้นะอากาศหนาวเลย อุ้มมาเอาจีวรอะเช็ดให้ตัวแห้งเสร็จแล้วก็อุ้มเอาไว้กับอกให้ความอบอุ่นกรับพระูปชายก็เดินมาก็คล้ายๆก็ว่าเขาขาดความอบอุ่นเหมือนกันเลยนะก็คือเราจากกันมาเป็นสิบสิบปีไม่ได้เจอกันก็คล้ายๆก็อีฉานกอเราสังเกตอ๋ออีฉานกนัน่นแะมาอยู่ใกล้ๆเราเหมือนก็อยากให้เรากอดด้วยอะไรเงี้ย น, นะอนกแต่งแซลล์ตัวนี้หลังจาก ช่วยเสร็จกันนึกถึงนกข่ามือนกันก็ช่วยก็เสร็จแล้วเอามือมาเล่นกับเขาที่จะงอยปากโอ้ oh, อันนี้กัดแรงมากเลยจิกเนี่ยปากแข็งมากเป็นแผลห่อเลือดแล้วก็มันเจาะจกนกระทั่งเหมือนกับว่าเลือดเราสามารถที่จะซึมออกมาแล้วก็จํานวนมากเลยไหลโจกเลยเราก็ากจิกเต็มที่เลยเนะีเราก็ศึกษาแบบนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าลักษณะของสันชาดญาณนะ ได้ยินก็รู้ได้ได้เห็นก็รู้ได้เอาตัวรอดได้แบบนี้นะลมมาที่ทางไหนอุ ก, กาฟ้าเหลืองหรือว่าทะเลแห้งสูนามิจะเกิดเียมันรู้แล้วล่ะสัญชาตญาณตัวเนี้มีภัยแน่นอนอยู่แล้วนะคนคนนี้มีภัยแน่นอนเีราก็รู้หลบเป็นเปรีกรู้หรือเป็นหางแล้วมาระวังอาการกิริยาท่าทางต่างๆความไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายเราก็ถอนรหัสเอามันจะมีอยู่ในการฝึกสติเนี่แหละ อันนี้เรียกว่าเป็นฤทธิ์ทก็ว่าได้เป็นปาฏิหาริย์ก็ว่าได้จากการที่เรากําหนดก็เรียกว่าฌานนะนะกำหนดรู้เป็นสมาธิแล้วก็รู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆแล้วนะพฤติกรรมการเคลื่อนไหวการดูการสัมผัสต่อมาก็คือลักษณะที่เรียก ว, ว่าวิชุญานอย่างด้านหลังเนะี่ยมีธงฉับพันตรังสีลองอ่นไปดูดิเนี่ยมันมีอยู่พุทธเจันตีนะมีธงแบบนี้อยู่ที่ทิเบตนะ ทางอินเดียทางเนปาลจะมีธงลักษณะนี้เยอะฉับพันตลังสีมันบอกถึงลักษณะของการทำอะไรอย่างรู้ฉับพลันขึ้นไหมแตกฉานเช่นเรามีลักษณะคำว่าอัจฉริยะใช่ไหทางด้านภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศบางคนเรียนรู้ทลา่ทองทลาก็ไม่จํา แต่บางคนท่องปั๊บจำปุ๊บเลยเงี้ยบางคนเก่งทางด้านคณิตศาสตร์บางคนเก่งทางด้านสังคมบางคนเก่งทางด้านวิศวกรรมบางคนเก่งทางด้านกีฬาเฉพาะด้านเฉพาะด้านไปแ ล, ล้แล้วเก่งแล้วแตกฉานจริงๆเลยบางคนรู้เรื่องกล้วยไม้นะใหม่มนรู้จริงๆเลยนะแตกฉานอย่าง ศาสดาจารย์ด็อเตอร์ลพีสาคริกเนี่ยเก่งมากเจ้านันมากเรื่องกล้วยไม้โดยเฉพาะแตกฉ า, านจริงๆนะฐานน่นรู้หมดทุกเรื่องเลยหรือว่าเรื่องธรรมะก็ตามมันจะมีการอย่างรู้เช่นรู้เรื่องรูปนามเียฉับพลันเลยนะบางคนปฏิบัติเนี่ยไม่ทลายรู้เลยเช่นมีเด็กอยู่คนหนึ่งเข้ามาไปเดี๋ยวทำกับแม่ของเขาเสร็จแล้ว พระก็บอกไปรู้สึกตัวนะเด็กคนนี้ก็ป่าแม่ป่าไปเดิจนจงกรมกันกระจงมือแม่นะไม่ใช่แม่จูงมือลูกเดินนะไปเดินจงกรมเสร็จแล้วลูกก็อุทานออกมาเลยแม่แม่แม่รู้แลว้วรู้แลว้วรู้แลว้ว แ, แม่แม่แม่ทำอย่างนี้นะแม่ทําอย่างนี้นะเดินจงกรมเนี่ยเอาขาเดินเอาเท้า เ, าเดินนะอย่าเอาหัวเดิ น, นเด็กก็บอกแม่ ก็คือให้รู้แค่สัมผัสไม่จะคิดว่ารู้ว่าสัมผัสไม่ใช่อย่างตอนนี้เราพิมมือสัมผัสลงไปเนี่ยกระทบสัมผัสมันสัมผัสจริงๆมันรู้จริงๆ ร, ๆรู้สึกจริงๆสั่นสะเทือน เ, นเคลื่อนไหวมีน้ําหนักมันไม่จะคิดว่าเออรู้นะคิดว่ารู้นะคิดว่าฉันสวยคิดว่าฉันรวยคิดว่าฉันหลอ่อคิดว่าฉันเก่งอันนี้มันไม่จริงลองทำงานลงไปเสี เราจะรู้เลยมันทําได้ไม่ได้อย่างไรลงมือก็ทําลงไปอันนี้เรียกว่าอย่างรู้ฉับพลันวิชิวญาณจะทําอะไรมันก็แตกฉานแล้วก็เร็วมากเลยอย่างรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่เป็นวิชิวญาณแล้วละรู้ได้เร็วรู้ได้ทันทีทันใดรู้แล้วรู้ถูกแล้วรู้รู้จริงรู้แล้วเกิดประโยชน์รู้แล้วไม่ทุกข์อย่ามัเป็นลักษณะของรู้เป็นครั้งเป็นครั้งแต่ว่ารู้บ่อยๆรู้มากๆมันก็จะเกิดะ ลักษณะของอยานปัญญาขึ้นมานีก็เรียกว่าปัญญาพุทธะปัญญาพุทธะจะรู้ก็คือพุทธะในน้อ ย, อยรู้สึกตัวน้อยนอยนะสะสมไว้ให้มากและทายสุดจะรู้อย่างที่พระเจ้ารู้นั่นแหละเช่นยามหนึ่งพระเจ้ารู้เรื่องของบุพเพนิวาสาบุพเพนิวาสามันเป็นยังไงบุพเพนิวาสานุติยาน ก็คือย้อนไปในอดีตตั้งแต่เมื่อวานมีไหมเรานั่งอยู่วันนี้เดี๋ยวนี้เรื่องเมื่อวานโผล่มาเวลาปฏิบัติเราขณะรู้สึกตัวอยู่ขนาดนี้เมื่อเดือนที่แล้วโผล่มาเรารู้อยู่ขณะ น, นี้ปีที่แล้วโผล่มาหาปีที่แล้วโผล่มาสิบปีที่แล้วโผล่มามันย้อนถอยถอยถอยถอยไประ ล, ลึกแบบนี้นนะบุเพนุอาสารุจยัน เกี่ยวข้องกับตัวเองเกี่ยวข้องกับผู้อื่นอย่างไรการคิดการพูดการทํามันเกิดขึ้นมาขณะปฏิบัตินี่แห ล, ละระนาของการรู้การเห็นความคิดที่มันประทับลงไปในจิตใจของเราเป็นบุญเป็นบาสรืดได้ภาษาเรียกว่ารึกชาติได้ชาติในที่นี้ก็หมายถึงว่าขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ความคิดเรื่องหนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วพบชาติ ให้ให้มออย่างเงี้ยไม่ใช่เกิดจากท้องแม่ตายจากท้องแม่เรียกวัาชาร์น่นอันี้เป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของลุกธรรมแต่เรื่องของจิตเนี่ยเกิดดับถี่ยิบเลยเป็นสัมเวสีเป็นลนักษณะของโอปปาติกะก็คือผุดเกิดขึ้นมาไ ม, มไม่มีตัวไม่มีตนเป็นนามธรรมตายไปก็ไม่มีซากคิดแล้วคิดอีกเป็นวัฏฏะสงสารในจิตของเราร่างเป็นมนุษย์ใจเป็นเปลกเนยมนุษย์สเปยต่อก็ลองรอบดูอยากดูเตะ เดี๋ยวนี้ล่างเป็นมนุษย์นะแต่ใจเป็นเปรลด์ล่างเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานมนุษย์เดชัจฉานโอ้ยล่างเป็นมนุษย์แต่ใจดีใจดีมนุษย์สเทโวโอมันเกิดที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอตายล่างเป็นมนุษย์เหมือนเหมือ น, นอาการกครบสามสิองแต่วิธีคิดแตกต่างกันมากเพรานั้นบางคนก็ใจดีเป็นเทวดาบางคนก็ใจร้ายเป็นผีมันก็ที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะ เราก็เอามาฝึกหัดกันจนกระทั่งเหมือนกับว่าได้เห็นลองรอยองความคิดคิดดีคิดไม่ดีในตะัวเราเนี่ยนะเพราะนั้นมันจึงเป็นละนะักษณะของการฝึกให้กายใจของเรานะมันแสดงออกมาอย่างเต็มที่เลยกายต้องเมื่อยต้องมีทุกข์ของกายต้องหิวต้องกระหายต้องขับถ่ายให้แสดงออกไปแล้วเราเกี่ยวข้องให้ถูกต้องลงนะจิตใจกันเหมือนกันให้แสดงออกมาให้คิดออกมาแล้วเราจะเกี่ยวข้องให้ถูกต้อง โดยการไม่ตามเข้าไปปรุงแต่งเกิดจูโต ป, ปัตยานขึ้นมายามสองจูโต ป, ปัตยานหมายถึงอะไรเคยได้ยินไหมก็คงเคยได้ยินกันมาหรอกนะมางคนอาจจะได้ยินแล้วลืมไปแล้วก็ได้จูโต ป, ปัตยานยามสองก็หมายถึงอย่างรู้ลักษณะการเกิดลักษณะนิสัยวิธีสันดานการเกิดของตัวเองอย่างเห็นของคนอื่นได้ด้วยวออวิธีคิดวิธีพูดวิธีทําลักษณะนี้มันคืออะไร ดูตบ ร, รู้ว่าทําอย่างนี้เกิดอย่างนี้มันจะมีผลยังไงเหตุอย่างนี้จะมีผลยังไงผลอย่างนี้เกิดมาจากเหตุอย่างไรมันจะเกิดขึ้นมาให้เราได้เหมือนกับว่าเรียนรู้รับรู้แล้วก็เข้าใจจนหายสงสัยถ้ามีความรู้สึกตัวมีสติมีปัญญาหายสงสัยมันก็ฉลาดขึ้นมานะฉลาดเรื่องของธรรมะเรื่องของธรรมชาติของกายของจิตเราแลว้วก็สิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้แหละ าพระเจ้าเรียกว่าโลกวิทูจนกรทั้งเหมือนกับว่าอาการละเอียดละเอียดความสุขละเอียดเอียดที่เป็นเรื่องของความรู้แล้วก็ติดยึดมากมายเหลือเกินเป็นความรู้เรื่องกายเรื่องใจยึดกายยึดใจแล้วก็ติดเรื่องของความสุขอย่างละเอียดละเอียดมากมายก็เรื่องอาสวักิเลสอาสวัคยายนยานยาที่ยังรู้สวัสหรือว่าความหลงเรียกว่าตัวไม่รู้เรียกตัวอวิชชา ตัวชาคือไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันลังเกิดขึ้นรูปธรรมนาทํารขันธห้าเนี่ยมันเป็นทุกอย่างไรนะเหตุจากทุกข์เกิดมาอย่างไรก้าวล่วงจะความทุกข์จะก้าร่วงได้ยังไงมันไม่กําหนดรู้มันไม่มีการละขึ้นมาอย่างเนี้ยมันมีรูปแบบของการฝึกหัดปฏิบัติวิธีการปฏิบัติตรงเนี้ยเราก็เลยมาฝึกหัดกันให้มันความรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งมันก็ว่า ความรู้ตัวทั่วพร้อมความรู้ตัวทั่วสระว่างกายมันปรากฏขึ้นมาชัดๆเลยจากการรู้ความรู้ที่เป็นขณะเป็นคณะเป็นขณะเราก็จึงมาฝึกมหัดกันอย่างเงี้ยนะเดี๋ยววันนี้เป็นวันสุดท้ายของกลุ่มแล้วที่จะอยู่ร่วมกันเต็มวันวันนี้ก็จึงเป็นวันเก็บอารมณ์ของพวกเราเป็นยังไงที่เราเก็บอารมณ์คือขยันรู้ให้มากๆ ม, มีความเพียรลงไปอาตาปีสมัมมณโอตติมาวิเนยยะโลเกออภิชาโทปนัสสังอย่างเงี้ยนะ ตรงนี้มีความเพียนเครื่องเผากิเลสมีสติมีสัมมัญญาเราก็จะได้เหมือนกับว่าได้ทําวันนี้วินาทีนี้ดีที่สุดแล้วกับการมีชีวิตของเราจะนั่งเหมือนกับว่าคอสนี้โครงการนี้มีความสําเร็จสําเร็จยังไงคือเราสามารถมีสติมีสัมมัญญาแล้วก็นําสติสัญญาไปใช้ได้ต่อหรือว่านํารูปแบบวิธีการไปบริหา ร, รงานพัฒนาการได้ต่อจะนั่ง มันเป็นลนักษณะของชาวพุทธตัวจริงไม่ใช่ชาวพุทธตามสำนเนาตะเบียนบ้านอย่างเดียวมีไว้สมัครเรียนมีไว้สมัครงานนะแต่ตอนนี้ความเป็นชาวพุทธของเรามีไว้ใช้ก็คือเปลี่ยนจากโกรธมาเป็นไม่โกรธเปลี่ยนจากความทุกข์มาเป็นไม่ทุกข์เคลื่อนสู่สภาวะปกติของจิตจะทำเหมือนกับว่าชีวิตของเราหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีความสุขเป็นกำไรของชีวิตต่อไปจะได้สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นประโยชน์ต่อตน เป็นโยต่อผู้อื่นต่อไปมันก็จะได้สมกับการมีชีวิตของเรา阿ะก็ขอให้เราเหมือนกับว่าได้ตั้งอกตั้งใจกันแล้วก็ใช้ทุกๆมีนาทีได้กับประโยชน์สูงสุดอะไรนะสมควรแก่เวลาก็จะยุติไม่เพียงแค่นี้ต่อไป